อนาปติวานพิกษุีต่อไป น, นี้ไม่ต้องอาิัดคือ 1.032 1. พิกษณุีมุ่งอัด 2. ภพิกษุีมุ่งทรรา 3. พิกษุีมุ่งสั่งสอน 4. ภพิกษุีวิกลจริต 5. ภพิกษุีต้นบัญญัติสิกขาบทที่สองจบ